เสียงอ่านพุทวัจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สี่พระวินัยปิฎกเล่มที่สี่มหาวัคคภาคหนึ่งหน้าที่สี่สิบสองทับสามร้อยสี่ข้อที่สี่สิบสี่เรื่องผ้าบางสุกุลก็โดยสมัยนั้นผ้าบางสุกุลบังเกิดแก่พระผู้มีพระภาคจึงพระโ์ได้ทรงพระดำริว่าเราจะพึงสักผ้าบางสุกุลณที่ไหนนา ลำดับนั้นเท้าสกตะจอมถวยเทศทรงทราบพระดําริในพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระไทยของพระองค์จึงขุดสระบอกกรณีด้วยพระหัตแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระผู้มีพระภาคโปรดสักพ่อบางสุกุลในที่นี้ที่นั่นพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดําริว่าเราจักพึง ขยัมผ้าบางสุกุลณที่ไหนน้อลำดับนั้นท้าวสก่าจอมโพยเทพทรงทราบพระดําริในพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระไทยของพระองค์แล้วได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางพลางทูลว่าพระพุทธเจ้าคะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงขยัมผ้าบางสุกุลบนสิลาแผ่นนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดําริว่า เราจะพึงพาดผ้าบางสุกุลไว้ณที่ไหนหนอครั้งนั้นเทพยายดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกลุ่มบกทราบพระดำริในพระหารุไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนจึงน้อมกิ่งกลุ่มลงมาพลางกลับทุนว่า พระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงภาคผ้าบังสุกุลไว้ที่กิ่งคุมนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดําริว่าเราจะ พ, งพึงพึงผ้าบางสุกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นท้าวสกัดจอมถวยเทพทรงทราบ พ, พระดําริในพระหรุไทยของพระผู้มีพระภาค ด้วยพระทัยของพระองค์แล้วได้ยกแผ่นศิลาใหญ่ม า, าวางไว้พลางขาบทูลว่าพระพุทธเจ้าขา้าขอพระผู้มีพระภาคประทรงพื้นภาพบางสกุลบนสีลาแผ่นนี้หลังจากนั้นเชดินอุรุเวลากรสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโดยล่วงราตรีนั้นครันถึงแล้วได้ทูลคานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะ พัดดาฮันเสร็จแล้วเพราะเหตุไรเนาะมหาสมณะเมื่อก่อนสะนี้ไม่มีที่นี้เดี๋ยวนี้มีสะอยู่ที่นี้เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ไม่มีวางอยู่ใครยกศิลาเหล่านี้มาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกุ่มบกตนนี้ไม่น้อมลงเดี๋ยวนี้กิ่งนั่นน้อมลงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนกสะปะผ้าบางสกุลบังเกิดแก่เราณที่นี้ เรานั้นได้ดำริว่าจะพึงสักผ้าบางสุกุลณที่ไหนหนอครั้งนั้นท้าวสากะจอมถวยเทพทรงทราบความดำริในจิตของเราด้วยพระารุทัยของพระองค์แล้วจึงทรงขุดสะบกรณีด้วยพระหัตแล้วตรัสบอกแก่เราว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงสักผ้าบางสกุลในสานีสะนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์ได้ขุดแล้วด้วยมือดูก่อนกัะส ป, ปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงขยำผ้าบางสกุลนัที่ไหนหนอครั้งนั้นเท้าส ก, กะจอมถวยเทศทราบความดำริในจิตของเราด้วยพระหาตถไทยของพระองค์แล้วได้ทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้โดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงขยำผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นนี้ ศิลาแผ่นนี้อันผู้มิใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ดูก่อนกษปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงจะพึงพึงพาดผ้าบางสุกุลนะับที่ไหนหนองครั้งนั้นเทพ ย, ายดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกุมบกทราบความดำริในจิตของเราด้วยใจของตนแล้วจึงน้อมกิ่งกุ่มลงมาโดยทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงพาดผ้าบางสุกุลไว้บนกิ่งกุ่มนี้ ต้นกุมบกนี้นั้นพระหนึ่งจะกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงนำพระหัตมาแล้วน้อมลงดูก่อนกรสปะเรานั้นได้ดำริว่าจะพึงพึงผ้าบังสุกุลณะที่ไหนหนอครั้งนั้นเท้าส ก, กะจอมถวยเทพทรงทราบความดำริแห่งจิตของเราด้วยพระฤทธไทยของพระองค์แล้วได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้โดยทูลว่าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาค โปรดทรงพึงผ้าบางสุกุลบนสิลาแผ่นนี้สิลาแผ่นนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์ได้ยกมาวางไว้ครั้งนั้นชาดินอรุเวละกัสปะได้ดำริว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับท้าวสกกะจอมช่วยเทพได้ทำการช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นพระอาหารหันเหมือนเราแน่แน่ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสเสวยพัตตาหารของชดินอุรุเวลากรสปะแล้วประทับอยู่ในไพรสนตำบนนั้นแหลผภาบางสกุล